เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แ น, น่วม่งตรงต่หอหนทางปฏิภาณกันทุกทุกคนนะลูกนะ้าให้นั่งขัสมะแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะดดนิ้วขวามือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาคข้อลูกพอสบายสบาย คลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลุกในตาหลับตาให้สบา ย, บายและก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายเรา ผ่อนคลายแ mm hmm. กลมเดือทุกส่วน mm hmm. เหลือตา mm hmm. นภาศีรษะค mm hmm. อ mm hmm. ลำตัวแขนขาทั้งสอง mm hmm. ให้ผ่อนคลาย mm hmm. ทำตัวเราให้สบายสบายจ๊ะ mm hmm. ทำใจให้เบิกบาน ให้แชมชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้ตัดใจจากทุกสิ่งทำใจให้ว่างๆทำเหมือนเราไม่เคยมี ภารกิจเครื่องกังวลมาก่อนเลยหรือคล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกนี้นะให้ลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจให้ว่างว่างแล้วก็สมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะ สมมติว่าไม่มีปอดลมไส้หัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่วงว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส สมมติจะเป็นปลองเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โ ล, งโลง่งงว่างๆกลวงภายในคล้ายๆ ล, ลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปกลวงภายในปราศจากอาวัยวะภายใน ก็นี่ลราก็น้อมใจของเราให้มาหยุดนิ่งนที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจใจที่คิดแว บ, บไปแว บ, บมานในเรื่อ ง, องราวต่างๆ น, นนะฮะรวมมาหยุดนิ่งนิ่งยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่ง อยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือรลอจะไว้ง่ายประยชน์ในกลางท้องของเราในบริเวณแถวนั้นนะตามความรู้จักฐานที่เจ็ดเอาไว้แต่ไม่ต้องกังวลเกินไป ให้รู้ว่าอยู่บริเวณตรงนี้ตรงกลางท้องในระดับเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ทำความรู้สึกว่าภายในกลางท้องของเรานั้นมีดวงแก้วใสๆสบริสุทธิ์ กลายกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวขนาดกันแล้วแต่ใจเราจะชอบทำความรู้สึกว่ามีดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรหรือเพชรสักเม็ดหนึ่ง ในกลางกายเรากลางท้องเราเราจะนึกเป็นองค์พระก็ได้ใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะในกลางทองของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้นึกอย่างสบายสบาย ให้ครกนเร า, า, านึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศให้นึกสบายๆธรรมดาธรรมดาซึ่งสิ่งใดที่เราคุ้นเคยมากเราก็จะนึกได้ง่ายแต่คุ้นเคยน้อยก็นึกได้น้อยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา ใจนึกอย่างสบา ย, บายคล้ายานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์วันพิณหรือดวงดาวในอากาศบนท้องฟ้ากลางท้องฟ้าพยายามราตรีนะให้นึกอย่างนั้นแหะนึกง่า ย, ายสบายๆ ทำความรู้สึกว่ามีอยู่ชัดเจนแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้นึกในระดับที่รู้สึกสบายแต่อย่าไปเค้นภาพหรือไปเพ่งไปจ้องไปควานหาดวงแก้วองค์พระนิจมืด อย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปควานหาให้นึกอย่างสบา ย, บายนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนประวัตถุประสงค์ของเราแล้วนะตั้งการ ดึงใจให้กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมที่กลางกายตรงนี้ว่าปกติเราปล่อยใจให้กระเจิงกระเจิงเป็นในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเรื่องทามาหากินมึงการคลองเรือนบ้างการศึกษาเราเรียนการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเรานั่นเป็นต้น เพราะฉะนั้นเราก็มาดึงใจมาอยู่ภายในโดยไม่คิดไปถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตให้ใจนิ่งนิ่งเบาเบสบายร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรัง สัมมาอรังสัมมาอรังภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ภายในถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ถึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่ ให้รักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนั้นไปเรื่อยๆแม้จะอย่างนึกภาพไปออกหรือไม่มีภาพปรากฏเกิดขึ้นก็ตามให้นิ่งน้อมละมุลลหมัยสบายสบาย นิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวเดินไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปคิดว่าทำไมไม่มีอะไรใหม่ๆให้เราดูแล้วมีปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเราต้องการให้ใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละเพราะหยุดเป็นตัวสาเร็จใจจะตั้งมั่นนิ่งอยู่ภายในสาเร็จก็คือ จะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราตั้งแต่ดวงธรรมภายในกายในกายต่างๆกายมนุษย์ที่ปลรมรูปผมกระทั่งกายธรรมซึ่งเป็นตัวพุท ธ, ธรัตตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรา นี่คือวัตถุประสงค์นะจ๊ะของการฝึกใจให้หยุดนิ่งใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมวลความทุกข์ทั้งหลายความตึงเครียดหรือปัญหาเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดภายในตั้งมัน เมื ใ, ใจมีความสุขสดชื่นก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปในตัวมันเองนั่นแหละแล้วก็จะเข้าถึงพระระัตนาไตรยในตัวพระระัฒนาตราตัวคือพระธรรมกายนั่นแหละคือตัวพุทธลัตนะในกลางธรรมกายก็จะมีธรมรมลัตตนาะ เป็นดวงใสๆ ใ, ในกลางธรรมรัตนาก็จะมีสังส ร, ร, รัตนาเป็นพระธรรมกายละเอียดสามอย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกของเราเข้าถึงได้แล้วจะอบอุ่นใจจะมีความรู้สึกปลอดภัยมั่นใจแล้วก็จะดาเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ อย่างมีความผาสุกความสุขสดชื่นและพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญปัญหาแรงกดดันความทึงเครียดต่างๆด้วยใจที่สงบตั้งมัน่นสะอาดสว่างไม่หวั่นไหวเบิกบานนี่คือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นตองการกันอย่างนี้ ในถ้ำกลางเราจะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเบื้องปลายคือขจัดกิเลอัศวะให้หมดสิ้นไปสลัดตนบนจากกองทุกไปสู่อายตานนนิพพานเพราะฉะนั้นนี่เป็นกรณียกิจนะลูกนะ คืองานที่แท้จริงของเราของชีวิตเราในทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์หลักนอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมาแต่วัตถุประสงค์หลักเพื่อการนี้ภรษานี้เป็นรรสาแห่งการบรรลุธรรมพร ะ, เ, ระ เ, เห็นพระเนรเห็นพระและก็ยโยมเห็นพระ เราจะให้พรรษานิพพานไปด้ดยเปล่าประโยชน์เลยและดูการนี้เหมาะต่อการบ่มเพ็ญธรรมประพฤติธรรมผมเป็นสมณะธรรมปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนไม่อ้าวเกินไปอากาศกำลังพอดี โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยอากาศก็กำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกทุกคนจะตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นเชาน้านี้ให้ลูกทุกคนประคับประคองใจกันไปเรื่อยๆ ประคองใจให้หยุดไอ้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ตรึกระลึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างสบายๆรองกับบริกรรมภาวนาประคองใจเบาๆ ให้สม่ำเสมออย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักพาวนาเรื่อยไปเลยสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังเนะี่ยพระคองใจกันไปปรับใจไปออยู่ในระดับที่ไม่ตึงไม่หย่อน จะทุกข์ใจในกรณีที่ใจเหมือนฟุ้งบ้างหรือความมืดที่มีปรากฏแสงสว่างหรือไม่เห็นภาพใดๆ ใ, ให้เป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอุ ป, ปสงค์หลักต้องการฝึกใจให้หยุดนิ่ เพราะฉะนั้นอ่ะย่าไปคำนึงถึงความมืดหรือความสว่างแม้มันจะมืดก็แช่งมันสว่างก็ไม่ลิงโลดใจมืดก็ไม่ทุกข์ใจทำใจให้เป็นกลางกลางอย่าเย็นดียิน้ลยในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมืดหรือว่าจะสว่างจะมีภาพ หรือว่าไม่มีภาพภายในให้หยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จเรากำลังจะฝึกใจให้หยุดนิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลปล่อยได้เช่นความโลง่งโปรง่งเบาสบายแสงสว่างภายในดวงธรรมกายในกายภายในต่างๆเหล่านั้น เป็นผลผลพวงที่เกิดจากการที่เราฝึกใจหยุดนิ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังหยุดนิ่งเรื่อยไปให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะจะไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้นะอย่าลืมหยุด เป็นตัวสำเร็จปละครองใจไปอย่าเพ่งให้ผ่อนคลายปรับใจให้ใสใสให้มีสติก็สบายสม่ำเสมออย่างนี้เลื่อยไปนะจ๊ะแล้วก็เมื่อเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก็มันสังเกต ว่าเราประคองใช้ขนาดไหนจึงพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆฝึกกันไปแล้วก็อย่าเดือดร้อนใจในกรณีที่เพื่อนพี่น้องวงธรรมะของเราวงบุญเราเนี่ยเขามีประสบการณ์ภายในที่ดีกว่าเราเราก็อย่าเป็นทุกข์ใจ แต่ถ้าเราดีกว่าเขาก็าอย่าลิงโลดใจให้รักษาใจเป็นกลางกลางย้ายเสียสมดุลของใจนะจ๊ะไอลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกทุกคนทัลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ